ที่ใต้สะพานพุทมีคนตายลอยน้ำมาโผล่ขึ้นที่นี่เป็นประจำนะคะเหยื่อที่ถูกฆ่าตายจากที่อื่นคนร้ายก็โยนลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออำพรางคดีหนีเงื้อมือกฎหมายผู้เล่านามสมมติชื่อว่ า, าจิตค่ะเป็นคนขายดอกไม้ย่านปากคลองตลาดแล้วก็จะมาอยู่ที่ใต้สะพานพุทเป็นที่ซุกหัวนอนก็เปิดเผยถึงเรื่องผีๆสางๆให้เราได้ฟังกัน แกบอกว่านับตั้งแต่แกมาอาศัยอยู่ที่สะพานพุทธสิ่งที่แกเห็นประจำเลยก็คือจะมีศพคนตายเนี่ยลอยน้ำขึ้นอืดมาโผล่ที่ใต้สะพานพุทธไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มีทุกเพศทุกวัยส่วนมากจะตายเกิน3วันนะคะศพก็จะมาโผล่ลอยน้ำขึ้นมา บางศพเนี่ยก็บวมอลึง่งฉึงมีนอนไตยื้อเยะตามตัวลอยเท่งเต้งอยู่เหนือน้ําส่งกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนนี่ไม่พ้นมืออาสาสมัครกู้ภยัยไม่เป็นปอเต็กตึ้งก็ต้องเป็นร่วมกตันยูที่จะต้องมาเก็บศพคนตายไปค่ะเมื่อมีคนตายที่ไหนก็ย่อมมีผีหรือว่าดวงวิญญาณปรากฏที่นั่นและที่สะพานพุธก็เช่นกันณจิตบอกนะคะบอกว่าตอนกลางคืนดึกๆเนี่ยก็จะมีผีมีวิญญาณมาหลอกมาหลอน แม้กระทั่งตัวของณจิตเองค่ะก็ยังเคยโดนหลอกพูดแล้วขนลุกไม่หายคืนที่แกเจอดีนี่อากาศร้อนมากก็เลยมาอาบน้ำที่ท่าน้ำตามลำพังคนเดียวฟอกสบู่ถูตัวเสร็จก็ทำความสะอาดร่างกายเพื่อคลายร้อนอยู่ๆก็มีมือลึกลับมาจับขาแกเพื่อจะลากลงน้ำค่ะตอนนั้นนี่แกยือนอยู่บนบันไดที่ยื่นลงน้ำแกตกใจนคะคะก็เลยยกเท้าอีกข้างถีบมือลึกลับนั้นอย่างแรงหลายครั้งมันถึงได้ปล่อยมือออก แกก็รีบวิ่งขึ้นมายืนตัวสันบนสะพานแกไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเป็นมือผีหรือว่ามือคนที่มาจับขาแกเรื่องนี้เนี่ยเล่าให้เมียกับลูกฟังไม่มีใครเชื่อกลับหาว่าแกเนี่ยกุเรื่องสร้างเรื่องเพื่อให้เด็กๆ ก, กลัวจะได้ไม่ลงไปเล่นน้ำที่ท่าน้ำ คนเรานี่ก็แปลกนะคุณผู้ฟังเวลาพูดเรื่องจริงก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อแต่พูดเรื่องโกหกกลับเชื่อเราแบบหน้าตาเฉยค่ะมนุษย์ทุกคนมักจะเป็นแบบนี้แหละนะคะและอีกครั้งหนึ่งค่ะที่เดิมท่าน้ําสะพานพุธ ท, ที่เดิมนี่แหละผู้คนน้อยลงนี่ยแทบจะนับหัวได้แก่ก็ได้ลงไปอาบน้ําฟอกสบู่แล้วก็มุดดําน้ําทําความสะอาดร่างกายพอณจิตโผล่จากน้ําค่ะก็เห็นเด็กเปลือยกายนั่งชันหัวข่าอยู่ข้างเสา เด็กน้อยก็ร้องทักแกบอกว่าลุงไม่เก่งเหมือนผมจะกระโดดดำน้ำนานๆให้ดูนะพอพูดจบค่ะเด็กน้อยคน น, นั้นนีก็กระโดดตูมลงไปในน้ำฟองน้ำแตกกระจายเป็นวงกว้างแกยืนอยู่ในน้ำนานพอสมควรค่ะเจ้าเด็กน้อยก็ยังไม่โผล่ขึ้นจากน้ำเลยแต่กลับได้ยินเสียงเด็กหัวเราะแถมพูดหยอกนะคะบอกว่าลุงโดนผีเด็กหลอกแล้ว เท่านั้นแหละนะคะแกไม่รีรอให้ผีเด็กโผล่ขึ้นมาจากน้ําเพื่อมาหลอกแกอีกรอบหนึ่งแกรีบวิ่งขึ้นจากน้ําคว้าเสื้อผ้าที่วางอยู่เพ่นไปหาลูกหาเมียที่นอนอยู่ใต้สะพานพุทธสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลไปให้ผีเด็กคนนั้นก่อนจะเอนตัวนอนเรื่องราวของคนโชคร้ายเจอผีหลอกอย่างผู้เล่าที่สะพานพุทธเป็นอีกเซี่ยวนึงของชีวิตที่ได้เจอผีที่อยู่กันคนละพบมาปรากฏตัวหลอกนะคะไม่รู้ดวงดีหรือดวงซวยกันแน่ คุณผู้ฟังช่วยบอกกันหน่อยสิคะพูดถึงเรื่องราวของผูดผีปีศาจนะคะเรียกว่ามีอยู่ทุกหย่อมหญ้าทั่วโลกแล้วแต่ว่าใครจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อใครจะมองเห็นได้หรือว่ามองไม่เห็นได้แค่นั้นเอง อย่างที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็มีผีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องราวของผีทหารต่างประเทศที่เสียชีวิตจากการสู้รบแล้วก็สร้างรางรถไฟไปอย่างประเทศพม่าในสงครามโลกครั้งที่สองค่ะศพพวกเขาถูกนำมาฝังที่สุสานของชาวคริสต์มีไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ของคริสตศาสนา โดยเรื่องราวผีหลอกที่จังหวัดกาญจนบุรีและก็บางอำเภอนะคะก็ได้มีชาวบ้านเนี่ยเล่าถึงความเฮี้ยนของผีให้ฟังแต่ละคนก็มีประสบการณ์ที่โดนผีหลอกแตกต่างกันไปเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันต่างกรรมต่างวาระต่างวันเวลาแล้วก็ต่างสถานที่ด้วยจะว่ากันโดยภาพรวมแล้วขึ้นชื่อว่าผีนะคะมีความเี้น น่าเกลียดหน้าขยะแขยงทุกตนและชาวบ้านที่เคยโดนผีทหารฝรั่งในสุสานคริสหลอกก็มีอาชีพปั่น3ล้อรับจ้างแกเล่าให้ฟังเขาว่า ตลอดเวลาที่ผู้เล่าปั่น3ล้อผ่านสุสานฝรั่งยามกลางคืนค่ะมักจะได้กลิ่นเหม็นสาบสางคล้ายกับสัตว์ตายที่เน่ามานานลอยมาตามสายลมจนผู้ที่เล่าเรื่องนี้ต้องกลั้นลมหายใจไว้ฝืนใจตัวเองเร่งฝีเท้าปั่น3ล้อไปให้พ้นจากสุสานฝรั่งแห่งนี้นะคะตอนกลางคืนยามวิการใครผ่านสุสานฝรั่งนี่มักจะเจอดีโดนผีหลอก และผู้เล่าเป็นเหยื่ออีกรายที่โชคร้ายโดนผีททหารฝรั่งหลอกประมาณห้าทุ่มเศษขณะกำลังปั่นสามล้อพาผู้โดยสารสองคนเป็นฝรั่งต่างชาติไปส่งที่จุดหมายช่วงที่จอดรับชาวฝรั่งนั้น ทั้งสองแต่งตัวดูดีค่ะครั้นมาถึงสุสานทหารนิรนามที่เสียชีวิตในสงครามเอเชียมหาบุรีพาหรือว่าสงครามโลกครั้งที่สองฝรั่งสองคนหน้าตา ม, มอแมแอมเสื้อผ้าขาดวินมีเลือดเกลื่อนกลางตามเสื้อตามตัวบอกให้ผู้เล่าเรื่องจอดรถ3ล้อผู้เล่าก็เผยว่าพอฟังภาษาฝรั่งออกบ้างเล็กน้อยค่ะก็เลยรีบเบรก3ล้อคู่ชีพทันทีฝรั่งอีกคนยื่นเงินแบงค์ร้อยมาให้ ฝรั่งรายนั้นยังโบกมือไม่เอาเงินทอนจากผู้เล่าด้วยแกก็นึกกระยิ่มใจนะฮะที่ได้เงินจากฝรั่งตั้งหนึ่งร้อยบาทก่อนจะปั่นสามล้อแผละไปจากที่นั่น แต่ก็อดไม่ได้ที่จะหันหลังกลับเหลียวไปมองดูฝรั่งสองคนว่าจะไปไหนเพราะละแวกนี้นะคะไม่มีโรงแรมหรือว่าที่พักเลยทำไมถึงพากันมาลงกลางคันที่สุสานทหารนิรนามต่างชาติทางที่ตกลงจะให้ไปส่งที่สะพานข้ามแม่น้ำแควผู้เล่าถึงกับสะดุ้งหยงค่ะเห็นฝรั่งสองคนนี้เดินหายเข้าไปทางประตูสุสานทหารนิรนามซึ่งประตูสุสานได้ปิดลงตั้งแต่หโมงเย็นแล้ว โดยทางสหประชาชาติจะจ้างคนไทยเป็นผู้เฝ้าดูแลสุสานแห่งนี้ตลอด24ชั่วโมงนะคะประตูสุสานปิดอย่างแน่นหนาแต่ว่าทำไมฝรั่งสองคนนั้นเดินเข้าไปได้อย่างน่าชงนด้วยความสงสัยของผู้เล่าเองนะคะก็เลยเลี้ยวรถ3ล้อปัน่นย้อนสอนกลับมาที่สุสานซึ่งอยู่ห่างกันแค่ 5-6 เมตรเท่านั้น ปั่นรถ3ล้อมาถึงประตูสุสานแกยังเห็นประตูปิดสนิทอยู่ก็เลยลงจากรถ3ล้อลงมายืนที่ริมรัว้วมองเข้าไปในสุสานค่ะผู้เล่าบอกว่าถึงกับตกใจหน้าซีดเหลืองเหมือนไข่ต้มเมื่อเห็นฝรั่งสองคนนี้เดินป้วนเปี้ยนกม้กมๆเงยๆดูอะไรที่หลุมศพเมื่อฝรั่งเงยหน้าขึ้นมามองไปยังผู้เล่ายังยกมือโบอกให้ผู้เล่าอีกด้วยอ่ะยุ่งแล้วละสิคุณผู้ฟังฝรั่งโรคจิตหรือว่าฝรั่งบ้ากันแน่ที่มาเดินท่อมๆ อ, อ, อยู่ใน สสาตอนกลางดึกแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเต็มไปด้วยหลุมศพทหารนิรนามในยามวิกาลนะคะผู้เล่าก็คิดในใจว่าฝรั่งสองคนนี้ถ้าจะไม่ใช่คนเมื่อไม่ใช่คนแล้วมันต้องเป็นผีแน่นอนคิดได้เช่นนี้สมองสั่งงานไวกว่าเท้าค่ะให้ออกไปจากที่นั่นก่อนที่จะโดนผีฝรั่งหลอกมากกว่านี้ ผู้เล่ารีบหันหลังกึ่งวิ่งมาขึ้นคล่อมอานรถ3ล้อก่อนที่จะออกแรงปั่น3ล้อคู่ชีพเพ่นแบบหน้าตั้งด้วยใจเต้นระทึกเขี่ยวขวัญครั้นมาถึงบ้านก็เอารถ3ล้อจอดใต้ชายคาก่อนจะเปิดประตูมุดเข้าบ้านหย่อนก้นลงนั่งบนพื้นควักเงินในกระเป๋าที่ได้จากค่ารับจ้างผู้โดยสารวันนี้เพื่อจะนับนะคะว่าได้เงินเท่าไหร่ผู้เล่าถึงกับตกใจอ้าปากค้างค่ะ เมื่อเงินที่ฝรั่งให้เป็นค่าโดยสารมาเมื่อสักครู่นี้100ร้อยบาทนั้นตอนนี้กลายเป็นกระดาษเปล่าแกบอกว่าแทบไม่เชื่อสายตาก็นึกว่าตัวเองตาฝาดนะหยิบเงินแบงค์ร้อยที่กลายเป็นกระดาษขาวขึ้นมาพิจารณาดูสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของผู้เล่าคือมันเป็นกระดาษเปล่าจริงๆค่ะไม่ใช่เงินแบงค์ร้อยตามที่เห็น เมื่อแน่ใจว่าไม่ใช่เงินแบงค์ร้อยแล้วละ่ะผู้เล่าก็เลยรีบโยนกระดาษแผ่นนั้นทิ้งนะคะใจคอไม่สู้ดีเมื่อชายฝรั่งสองคนเนี่ยทําทีเป็นผู้โดยสารหลอกให้แกมาส่งที่ไหนได้คุณผู้ฟังเอ้ยฝรั่งสองคนเนี่ยเป็นผีค่ะ เล่นเอาผู้เล่าขนหัวลุกกันเลยทีเดียวซึ่งขณะนั้นหูแกยังแววนะคะได้ยินเสียงหมาหอนดังมาแต่ไกลเห็นท่าไม่ดีแล้วล่ะรีบมุดมุงเข้านอนกอดเมียดีกว่าหากยังนั่งทะเลาะทาร่าอยู่คนเดียวดีไม่ดีเนะะี่ะผีฝรั่งตานําข้าวนี่มานั่งคุยในห้องด้วยมีหวังแกหัวใจช็อกตายค่ะที่แน่นอนนี่เป็นประสบการณ์ของคนปั่น3ล้อเมืองกาญจน บ, บุรีค่ะที่โดนผีฝรั่งหลอกยามวิการที่สุสานทหารนิรนามคุณผู้ฟัง ท่านใดไม่เชื่อจะไปพิสูจน์ได้นะคะที่สุสานแห่งนี้ในยามวิกาลนะคะดีไม่ดีอาจจะเจออย่างที่คุณลุงสามลอ ก, ก็ได้ค่ะมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกันแต่ว่าเราจะขึ้นไปทางอำเภอสังขละบุรีนะคะเป็นเรื่องราวของทหารญี่ปุ่นค่ะ ที่อำเภอสังขระบุรีรอยต่ออำเภอทองผาภูมิเนื่องจากอดีตเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านใจดี3ามองก็เป็นอีกแหล่งที่ผีค่อนข้างจะเฮียนแล้วก็มีความดุร้ายกาจมากซึ่งเรียกว่าสมบัติถ้ำลิเจียนะคะที่อดีตพระธุดมรูปหนึ่งได้เข้าไปในถ้ำก็พบสัตราวุธของทหารญี่ปุ่นตลอดจนเครื่องบินแล้วก็ทรัพย์สมบัติจํานวนมากในหีบเหล็กเมื่อออกจากถ้ำลิเจียนั้นแล้วก็ได้นําสิ่งประจักษ์แก่สายตามาบอกแก่สาธุชนค่ะ จุดไม้ที่อำเภอสังขละบุรีอยู่ที่ถ้าลิเจียนะคะก็ได้เลี้ยวรถขับไปตามทางดินมีร่องรอยรถวิ่งเข้าออกพอสมควรก็มองเห็นกระต๊อบของชาวเขาปลูกอยู่ตามไหล่เขาละแวกนั้นมีควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นไปบนอากาศหลายแห่งกลิ่นดินลอยตลบไปทั่วทั้งสองข้างทางที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่แล้วก็กอไผ่นะคะจนกระทั่งมาถึงถ้าแห่งหนึ่งที่มีป้ายเขียนระบุชื่อไว้ว่าถ้าลิเจีย พอจอดรถนะคะก็ได้เดินข้ามลําธารเล็กๆไปไม่กี่19ก็จะเห็นปากถ้ำลิเจียก็จะมีขนาดลอดเข้าไปในถ้ำได้ทีละคนสองคนเท่านั้นนะคะเป็นเรื่องยากที่จะมุดเข้าไปในถ้าดังกล่าวหลายๆคนเพราะว่ามันเป็นสถานที่ห่วงห้ามแล้วก็เป็นป่าสงวนแห่งชาติด้วยก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีอาวุธครบมือหลายคนเฝ้ายามอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้บุกรุกเข้าไปในถ้าแห่งนี้เกรงจะเกิดความเสียหายตามมาในภายหลังนั่นเอง แต่ก็เคยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้และก็ชาวบ้านหลายคนค่ะเข้าไปในถ้ำแห่งนี้พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำและก็อื่นๆอีกมากมายเนื่องจากในถ้ำมีลำธารไหลซอกซอนลอดถ้ำเป็นบางช่วง แล้วก็อากาศค่อนข้างจะเบาบางนะคะและนักดำน้าได้ดำน้ำลอดลำธารที่ไหลใต้ถ้าไปโผล่อีกฟากก่อนจะเดินเข้าไปในถ้าซึ่งไม่มีใครรู้นะคะว่าจะไปโผล่ขึ้นที่ไหนและพวกดำน้ำกลุ่มนั้นไม่มีใครสักคนได้พบสมบัติเหล่านั้นแต่อย่างได้ แต่ว่ามีชาวบ้านบางคนค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าได้เข้าไปในถ้ำดังกล่าวนานแล้วพบสมบัติเนี่ยเป็นทองคาก้อนขนาดเท่านิ้วก้อยได้นำติดตัวออกมาด้วยครั้นมาถึงบ้านปรากฏแน่ว่าทองคาก้อนนั้นได้กลายเป็นเพียงแค่หินธรรมดาสร้างความตะลึงกับผู้ที่นำสมบัตินี้ออกมาต่อมานะคะไม่ช้าชายชาวกระเหรี่ยงคนนั้นก็ได้ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิต หมอผีประจำหมู่บ้านก็บอกว่าผีที่เฝ้าสมบัติในถ้ำเนี่ยตามมาเอาชีวิตเรื่องนี้เท็จจริงประการใดเราก็ไม่แสดงความคิดเห็นเ น, น, เนาะที่นำมาเล่าสู่กันฟังในฐานะผู้เล่านะคะเท่านั้นเองคุณผู้ฟังก็พิจนารณาเอาเองว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าไม่จริงอย่างไรนะคะเหตุที่มีคำเล่าขานกันในเว่าถ้ำลิจเจแห่งนี้ เคยมีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้เข้าไปในถ้ำดังกล่าวแล้วก็ยังได้พบเครื่องบินรบมีธงพื้นขาวแล้วก็มีดวงอาทิตย์สีแดงอยู่ตรงกลางน่าจะเป็นของทหารญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีศพนะฮะเป็นโครงกระดูกคนตายนั่งจับปืนแล้วก็อาวุธต่างๆหลายชนิดวางระเกะระกะกันอยู่ในถ้ำนะคะนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็มีอาวุธปืนนานาชนิดอีกมากมายวางกองอยู่ถัดไปมีสกุลเงินเยนแล้วก็สกุลเงินไทยจำนวนมากในหีบเหล็ก พร้อมกับทองคำจำนวนหนึ่งอาจจะเป็นตันเลยนะคะรวมอยู่ด้วยทั้งหมดนี้เป็นสมบัติล้ำค่าของทหารญี่ปุ่นที่นำมาซุกไว้ในถ้ำลิเจียนะคะเพราะรู้ตัวว่าจะแพ้สงครามและพระธุดงรูปนั้นมีได้แต่ต้องสมบัติของทหารญี่ปุ่นแต่อย่างใดเพราะเกรงว่าจะมีอาถรรพ์จึงได้กลับออกมาจากถา้ำมือเปล่าแล้วก็ได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ญาติโยมฟังแล้วก็เงียบหายไปค่ะ เรื่องของสมบัติท่านญี่ปุ่นในถ้ำลีเจียเมื่อมีนกักการเมืองท่านหนึ่งออกมาเปิดเผยนะคะพร้อมกับมีการสำรวจถ้ำลีเจียได้เพียงบางส่วนเพื่อค้นหาสมบัติของทหารญี่ปุ่น จะมีการขุดปากถ้ำด้วยรถแมคโรค่ะแต่ว่าถูกกรมป่าไม้ขัดขวางเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติถึงกระนั้นนักการเมืองท่านนั้นก็ไม่ได้ลดละได้ส่งนักประดาน้ำฝีมือดีมีประสบการณ์ดำน้ำลงไปสำรวจภายในถ้ำแต่ว่าล้มเหลวไม่พบสิ่งใดเลยนอกจากเงินดอลลาร์ปลอมจำนวนหนึ่งเท่านั้นจึงได้ลมเลิกการสำรวจหาทรัพย์สมบัติของทหารญี่ปุ่นในถ้ำลิเจีย เราได้พบกันกับชาวเขาเป็นผู้ชายสูงอายุและก็ชายวัยกลางคนได้ให้ข้อมูลค่ะว่าพวกเขาเคยแอบเข้าไปในถ้ำลีเจียหลายครั้งและกลับออกมามือเปล่าไม่พบอะไรเลยเนื่องจากต้องรีบกลับออกมาจากถ้ำเพราะว่าในถ้ำนี่อันตรายมาก แต่ว่าครั้งล่าสุดค่ะพวกเขาได้พบทองคาแล้วก็แก้วแหวนเงินทองฝังอยู่ในถ้าจึงได้หยิบใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงเท่าที่จะเอามาได้โดยไม่ได้ทําพิธีกรรมจุดธูปเทียนขอขมาโทษเจ้าป่าเจ้าเขาและเจ้าของทรัพย์สมบัติ ด, ดังกล่าวเพียงเอ่ยปากบอกกล่าวในใจกันเท่านั้นพอมาถึงหมู่บ้านค่ะต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันเรื่องนี้ก็ถูกเก็บเป็นความลับ คนในหมู่บ้านแล้วก็หมอผีไม่มีใครรู้เมื่อนำเอาสมบัติที่ได้ซุกซ่อนเก็บไว้ในที่ลับตาเมื่อมีโอกาสจะเอาออกมาดูแล้วก็นำไปขายในตลาดมืดและคนที่ได้มาไม่มีใครคาดคิดว่าสมบัติที่ได้มาจะมีอาถรรพ์นะคะจนเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับครอบครัวของชาวเขาสองรายล้วนเป็นคนที่ขโมยสมบัติดังกล่าวมาซ่อนไว้ในบ้าน พอตกกลางคืนเนี่ยปรากฏว่ามีอสรพิษค่ะเป็นงูตัวใหญ่เลื้อยมาฉกกัดเมียแล้วก็ลูกตายสนิทเลยก่อนที่งูตัวนั้นจะเลื้อยหนีหลบไปนะคะพอตื่นตอนเช้าขึ้นมาเห็นลูกเมียนอนขาดใจตายอย่างน่าอนาถบนที่นอนสำรวจ ด, ดูตามตัวก็ได้พบร่องรอยค่ะเป็นเขี้ยวสองรูฝังอยู่บนร่างคนตายก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะถูกงูพิษกัด เกิดนึกขึ้นได้นะคะว่าสมบัติที่ซ่อนไว้ในบ้านจึงเปิดออกมาดูก็ยังเห็นสมบัตินั้นอยู่ครบออค่ อ, คอยโล่งอกหน่อยเมื่อเสร็จงานศพลูกเมียแล้วตนก็ได้เจอดีค่ะพอตกตอนดึกมีชายร่างสูงใหญ่ผิวดำเปลือยกายท่อนบนนุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงไว้หนวดคราวยาวรุงรงังใบหน้ามุทะลุ ก, ก็คือดุดันน่นะคะลูกในตาแข็งกร้าวบอกว่าเป็นผีเฝ้าสมบัติในถ้ำลิเจียคือมาทวงสมบัติคืน แต่ว่าคนที่เอามาไม่ให้คืนก็เลยถูกผีตัวนี้เนี่ยฆ่าตายอย่างน่าสังเวชกลายเป็นผีตายหงตกตามกันไปนะคะส่วนคอนะคะก็ถูกจับบิดหมุนได้รอบตัวคนที่เอาสมบัติมาจากถ้าลี่เจียแต่ละครอบครัวเนี่ยมีอันเป็นไปต่างๆนานาอันเกิดจากอาถรรพ์ที่ถูกเจ้าของสมบัติจับแช่งไว้แล้วก็มีชาวบ้านที่เข้าไปในถ้าลี่เจียเพื่อค้นซัพย์สมบัติของทหารญี่ปุ่นปรากฏว่าหลงทางค่ะห า, หาทางออกไม่ได้ ก็เลยเสียชีวิตอยู่ในถ้าเหลือแต่โครงกระดูกกองเป็นหลักฐานพวกเขาตายเพราะว่าความโลภแท้ๆนี่แหละคุณผู้ฟังความโหดเหี้ยมของผีเฝ้าสมบัติอย่าได้ริไปขโมยทรัพย์สมบัติที่เป็นของหลวงมาเป็นของตัวเองหากไม่แล้วชีวิตจะตายเป็นผีตายโหงเหมือนพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นได้นะคะพูดถึงเรื่องของขโมยค่ะไม่ว่าจะเป็นของหลวงหรือของส่วนบุคคลเราก็ไม่สมควรที่จะไปหยิบจับเอาของใครมาเป็นของตัวเองนะคะ หมดเวลาของพระเจอผีพระธรมวันนี้แล้วนะคะก่อนอื่นต้องขออาภัยด้วยที่ซุ่มเสียงวันนี้ยังไม่ค่อยเป็นปกติเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเดินทางไกลไปหน่อยไปบ่อยขึ้นเหนือลองใต้ป่วยเลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณสําหรับการติดตามเราฟังด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้เราแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ